ทีุ่ทธิจ้ตปีที่แต่สรู้นันะเพราะว่าตอนแรกนี่แสดงธรรมจากประกนะสูงหลังจากแสดงธรรมไมจักแล้วปรากฏว่ามีพระได้นูตายเห็นธรรมรูปเดียวคือท่านัญญากธัญญแต่อีกสี่ดวนี่ไม่ได้คือวัปปะพธิยะมหานามาจเชชีสี่ดนี้ไม่ได้พ อ, อสิ้นเดิน มาสิ้นเดืนแปดก็พาเข้าพรรษาในช่วงพรรษาเนี่ยองค์ก็ให้สี่องค์เจ็บอารมณ์แล้วก็เทศสอนท่านวุฒิยะที่ได้ดวงตเใจทำเป็นพระโสดาบั น, นองค์แล้วไปมีสาบาัดกั บ, ท, บท่ญญานวุฒิยะเรามาเลี้ยงพระอีกสี่ลูกเนี่ยให้พระสี่ลูกเก็บอารมณ์เข้าปฏิบัติเทีย ม, มนะจนออกพรรษาออกพรรษาก็มาแสดง <c oughs> อนัตตาละกันสุตในช่วงพรรษาที่เจนาเห็นว่าปัญจวัคีทั้งห้าเนี่ยการที่พระองค์แสดงธรรมกันแรกธรรมะจักเนี่ยยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่ายังมีตายพรงจะต้องแสดงเรื่องของอนัตตาในเห็นตัวกันข้าวนะก็ได้พระอัญญาคุณิยะเป็นพระสุดาบันองค์แรกนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระหัน์น้าทำเทวศนักกันแรก เสร็จแล้วพอคนสาวโหงหัวตัดพระสูุนี้แล้วอนัตตะละคณาสุซึ่งก็ในสุดนี้จังจะได้พิจารณาอุปนิสัยทั้งห้าท่านแล้วเนี่ยการที่ไม่ได้เข้าใจอย่างสมศรีสแสดงว่าอย่างติดตัวตรงตี้องก็แสดงคําว่าที่เราสวดเมื่อกี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาคือขันห้านี่นะ ไม่ใช่ตัวตนหรือมันจะไม่ใช่อัตตาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคุณสมัยนั้นน่ในศาสนาพราหมณ์เขาถือว่ามีมีอัตตมันในตัวเรานี่เป็นอัตตมันแล้วก็บำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญตะบะภารมานด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยจะเข้าถึงมหาตามันและมหาตามันตัวนี้เวลาตายไปแล้วก็จะเข้าถึงปรมาตามันเนี่ย ใน <IS> ตัวปรมัตามันในศาสน า, าพราหมณ์เนี่ยถือแปลว่าเป็นนิพพานของเขาคือเป็นตัวตวนอันสูงสุดปรมาตามันแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงธรรมแต่ว่ายังไม่ตายเนี่เขาเรียกว่ามหาตามเช่นเราเรียกคนที่เข้าถึงธรมมธรมของเขาอย่างมหาตามะขันทีมหาตมขันทีมันคือว่าคนคนเข้าถึงธรรมในศาสน า, าพราหมณ์เรียก ม, มหาตามันเป็นอาตตาตัวตนใหญ่เหมือนเดิแต่พอเข้าถึงนิพพานของเขาเรียกว่าเป็นอาตตาตัวตนขั้นสูงสุด เป็นปรมามิตมันนี่คนสมัยนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นนะทีนี้เมื่อคนเขาเชื่ออย่างนั้นพระองค์แสดงธรรมะจักไปทั้งสีท่านนี่ก็อีกสี่ท่านนึ่ก็ยังไม่เจ็ตนั้นะไรยังเชื่อว่าเป็นมีอาตามันปรมิตตมันอยู่พอออกพรรษา ม, มาพระองค์ก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ปั๊บมันก็แสดงธรรมเรื่องอนัตตลัคนาสูตรอ่าว่าเราเนี่ย คือใจของเราประกอบด้วยขันธ์ทั้งห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วคนสมัยนั้นก็สําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ม, มีตัวตนเขาเรียกว่าเป็นโซใช่ไหมที่ไปเกิดต่างๆเป็นโซแต่ว่าวิญญาณในศาสนาอื่นเขาเรียกว่าโซแต่วในพุทธศาสนาเรียกว่า c c o o n s i ค s consciousness ว่ามันเป็นความรับรู้อารมณ์เป็นผู้รับรู้อารมณ์เพราะนั้นไม่ใช่เป็นตัวตนที่ล่องลอยไปเกิดไม่ใช่เป็นโซ่นี่ถ้าหากว่าร <c oughs> ู้ไวยากรณสัญญาสังขารมีญาณเนี่ยมันเป็นตัวตนแล้วใช้มันต้องไม่มันต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันต้องไม่อภัยสิใช่ไหมที่เราส่วนนี้ต้องไม่เป็นไปเพื่ออภัยแล้วต้องสามารถสั่งบังคับมันได้ดีว่าอย่าตายนะอย่าคิดนะอย่าเจ็บนะอย่าแก่ต้องสั่งได้ไงถ้ามันเป็นตัวตนเน่ะ แต่นี้สั่งมันไม่ได้สั่งมันอย่าปวดนะมันก็ปวดอ่ย่าเจ็บนะมันก็เจ็บอย่าตายนะมันก็ตายนเลยสังส่ ง, มงมไม่ได้แสดงว่ามันมีตัวเใจไหมไม่มีตัวที่จะสั่งได้ก็เลยเ ไ, ม ไ, มไม่ใช่ถ้าไม่เป็นไปเพื่ออาพานแล้วไซด์เนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามความปรารถนาว่าให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณเนี่ย <c oughs> ใันคุณไปามที่ตั้งใจไปนะแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะทีนี้พระองค์ก็บอกว่าในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนั่นก็าถามถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่คออันนี้จําพันธ์เดียรึอ่า ไ, ไม่เป็นมันมันไม่เที่ยงว่าถ้าถามตอไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่ง น, นั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ว่าสิ่งได้เป็นทุกข์คนแล้วหรือที่เราจะยึดถือว่าตัวนี้เป็นของเราไม่ควรเ <c oughs> มื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปรนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมเป็นตัวเดของเราไม่ควรอเมื่อไม่ควรแล้วถึงว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ไม่ว่ามันจะเป็นของหยากของละเอียดของใกล้ของไกลลูกทุกลูกอ่ะก็เป็นไปตามอานาจของอณิจังทุกขังหน้าตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรที่เขาไปยึดถือว่ามันเป็นตัวตนนี้ต่อมาเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่ า, าพระอริยสาวกทั้งหลายผมจึงไอ้ความที่สวดมาเยอะเนะแต่ว่าเยอะๆแล้วมันก็ไม่เยอะนะ กรแสท่านแยกมันก็ดูเหมือนเยอะนะดูเหมือนเยอะบอกว่าความรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญานี่ไม่ว่าอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามมันก็ไม่ไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นอย่างนี้อาเรียสาวกทั้งหลายใช่ไหมท่านว่าอารียสาวกทั้งหลายที่พูดที่เจริญแล้วทั้งหลายก็จะฝึกความเบื่อหน่ายเบื against, ande, ่อหน <Yes. S 2> ่ายแน่เลยเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาน เมื่อเบอร์หนายในรูปเวทนาธรรมสัารมี ญ, ญมเ า, า, ายยมมนนเมื่อเบอร์หนายก็ย่อมคลายกำหนัดคือคลายโยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเบอร์หนายคลายกำเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นนะั่นหมายความว่าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวรูปเวทนาธรรามันเป็นของเราจิตมันก็จะคลายคลายไม่เข้าไปยึดถือแต่ที่นี่ในความเป็นจริงแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นไหม เราก็ยังเห็นว่ารูปเวทนาเห็นความคิดของเราเนี่ยเป็นตัวตนอยู่แต่ตัวตนเนื้อตัวของเราตัวรูปนี่นะอันนี้เป็นผลนะแต่เหตุของมันเนี่ยเราไปคิดก่อนที่เราพูดกันเ ม, มื่อคนะืนก่อนที่เราจะมีตัวของเราเนี่ยเราเกิดความคิดถึงกันก่อนใช่อา่พาพอคิดถึงกันแล้วก็เราไปตามความคิดอันนี้จู่ๆไปชอบคนรักคนนี้แล้วก็ไปตามความคิดของเราอยากจะเห็นอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะอยู่อยากจะ ไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันมีตัวเพราเราคิดความคิดของเราเนี่ยมันก็ปั้นตัวสมมุติว่าเรามีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยจำได้ไมว่าเราคิดถึงกันที่ครั้งกลัจะมีลูกตัวกันคนคิดถึงกันที่ครั้งจำได้ไหมเฮ้ ย, ยจำได้ไหมกลัจะมีลูกคนนี้คิดถึงกันที่ครั้งไไจําไม่ได้มันจําไม่ได้มันเป็นมันเยอะ อ่าเป็นแสนแสนครั้งอะไรก็จะได้ออกรูออกมาในคิดถึงกันนี้ยเห็นไหมถ้าคิดถึงกันครั้งสองครั้งเนี่ยมันจะเป็นตัว ต, วตวนออกมานะไม่เป็นเพราะเราปั้นความคิดเนี่ยสมมุติว่าถามว่าไอเราเอาดินเนี่ยมาปั้นนะปั้นสมมุติปั้นควายตัวหนึ่งถามว่าดินกี่เม็ดมันถึงจะเป็นควายตัวหนึ่งเนี่ยดินความละเอียดของดินในกี่เม็ด โอเป็นสแสนแสนล้านล้านเม็ดเลยก็จะดินละเอียดนี่นะเหมือนกันแล้วความคิดของเราที่มันเป็นตัวตนเลื่องเลื่นะเราคิดถึงร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งจนสามารถปั้นรูปปั้นนามออกมาได้อะนี่ถามว่าดินที่มาปั้นเป็นควายเนี่ยถามว่ามันมีมันเป็นดินจริงจริงไหมหาตัวดินจริงจริงเอาดินมาบทหาตัวดินอาหลังจะบทดินเอามันเป็นผงบทจากผงเอาเป็นฝุ่นบทจากฝุ่นเป็นอไร เป็นธุรีปบดจากธุรีหาตัวตร่นไม่ได้แต่เนื่องจากมันเยอะๆๆๆมารวมกันก็กลายเป็นดินอีกใช่ไหมหาไม่ได้ความคิดนี่เหมือนกันเราบอกว่ารูปอ่ารูปในที่นี้ในรูปในขันท่าไม่ใช่รูปอันนี้นะไม่ใช่รูปตัวนี้นะรูปในขันท่ารูปของความคิดสมมติเราคิดถึงพ่อรูปของพ่อก็ปรากฏในใจคิดถึงแม่รูปของแม่ก็ปรากฏในใจคิดถึงอะไรก็รูปนั้นก็มาโปดท่านหมายถึงรูปของตัวนั้นน่ะ แต่รูปตัวนี้เขาเรียกรูปประธาคือตัวเนี้ยแต่ท่านก็แบ่งเป็นสองรูปอย่างว่านี่ยรูปประธาและรูปประขันรูปประธาคือรูปตัวนี้ธาตสี่ขันแต่ธาตสีนี่แต่รูปประขันคือรูปในเขาเรียกอิมเมจอิมเมจเนชั่ mental picture นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอิมเมจคือรูปตัวนั้นแต่รูปตัวนี้มันเป็นผลเนี่ยแต่รูปตัวนั้นเป็นเหตุและภาษานามธรรมเขาเรียกว่านามรูป ก็คือตัวรูปที่มันสร้างขึ้นมาพอเนื้อหถึงพ่อขึ้นมาปั๊บเกิดเวทนาคิดถึงพ่อชอบรักพ่อคิดถึงพ่อเป็นเวทนาแล้วไปสําคัญมันหมายว่าพ่อของเราห า, าเรื่องอะไรส่งไว้ให้อะไรทไหมโอ้คิดถึงพ่อโทรไม่ได้เลยจับโทรศัพท์มายกหูคุยด้วยเป็นสังขารล้วแล้วก็มันเกิดจากอะไรเกิดจากปัญญามันนึกมาก่อนนึกพ่อ นึถกถึงภาพพอขับแต่โดนนึกถึงภพพ่อปั๊บมันเป็นคอนเชสเสนเป็ น, นวิญาณแะ้วเห็นะหแต่ละวันเนี่ยลูกไปาาทํางานอย่อยางเงี้ยมหาศาลเลยแต่ละเรื่องคิดขึ้นมาจบเรื่องนี้ไปอ้าวชั่วโมงต่อมาคิดถึงแม่บ้างปีใหม่เอ้ยปีใหม่ปีนี่จะเอาของขวัญอะไรให้แม่เนาะทุกปีหานั่นเป็นของขวัญหาในวงนขวัมันก็ยังไม่ถูกใจอ้าวปีนี้ไม่ปไปได้มาปฏิบัติทําสักวันนึงก็เป็นของฝวัญของแม่ใช่ไหม แม่ก็ออกถูกใจนี่เห็นะแล้วก็คิดนะนี่ก็เรียกว่าเราคิดขึ้นมาก่อนเมื่อคิดมาแล้วแล้วก็ตามมาสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะซื้อเป็นของขวัญแม่นะก็คิดไปตามความคิดก็เอาเอาอกจากบ้านแต่งตัวออกจากบ้านขับรถไปนู่นแต่นิดเลือดนั้นเลือด น, นี้นะขณะที่ไปนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะอขณะที่ขับรถไปเนี่ยไปเจอรถติด <c oughs> อเอาไปรู้ติดไม่พอไปคิดเขาอีก <c oughs> อไปคิดเสร็จแล้วแม่เวลาเอากลับไปซื้อของเอาของมามาถึงกลางทางของตกหายามาถึงบ้านมาใหแ้แม่แม่บอกไม่ชอบใจทุกต่ลอดนี่พอเราตามความคิดนะแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นด้วยความเคยชินเนี่ยเราคิดว่าตัวความคิดของเรามันมีตัวเนี่ยเราวิ่งตามมันตลอดแล้วตลอดชีวิตเราก็วิ่งตามความคิด อันนี้พูดถึงรักพ่อรักแม่นะไม่พูดถึงรักผัวรักเมียรักพี่รักน้องแล้วก็บ่าวรักสาวเนี่ยล้วนแต่ความคิดมันปันแต่งทาไมความคิดจึงเป็นตัวก็ไม่ได้ก็พราเราไปปั้นมันติดกันสมว่ิอาดินเอาดินมาตั้งเนี่ยดินตัวนี้ถ้าเราไม่ปั้นมันใส่น้ําใส่อะไรไปมันเป็นลูกไม่ได้หรือไมนะมันก็เป็นดินอยู่นั่นเลยใครว่าเอาดินแห้งมาปั้นควายเล่ น, นมีไหมตัวอุปทานนะ่ะที่ทําให้ดินมันเหนียว น้ำเนี่ยทำนดินเหมือนกันตัวอุปทานเนี่ยทำให้ความคิดขันห้ามผสมกันตอนแรกมันก็แยกกันใช่ไหมลูกอันหนึ่เวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสัการีญาหนึ่งก็เหมือนกับว่าเออตอนแรกมันก็เป็นดินเป็นอีนเป็นดินเป็นหินเป็นปูนเป็นชายใช่ไหมของใครของมันมันยังเป็นเสามาไม่ได้เอาแล้วไปผสมมันถึงจะเป็นเสาขึ้นมาได้เอาน้ํามาผสมขึ้นมันไอตัวน้ํานี่แหละเรียกอุปทาน ถ้ามันน้ำเข้าไปผสมเราไปหล่อไปเทไม่ได้ใช่ไหมดินเนเหนียวก็เหมือนกันถ้าไม่เอาน้ำเข้าไปผสมเนี่ยมันไป ป, นปั้นเป็นดินเหนียวไม่ได้เพราะนั้นความคิดขนันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนถ้ามันมีเอาอุปทานเข้าไปผสมเนี่ยมันเป็นตัวตนขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวตนเกิดขึ้นเพราะอุปทานก่อนยิบว่ารูปที่เราสร้างขึ้นมาอิมเมจขึ้นมานี่แหละเราก็เอาไปปั้นเวทานสญญาสัญญาสังขารเนี่ยเข้าด้วยกันเลยก็เป็นรูปเป็นอาสาขึ้นมา เป็นอัตตาขึ้นมาเราก็ไปคิดว่าเป็นเราแล้วทีเนี้ใครมายว่าเราได้ไหมทีนี้โอ้เขาก็สมมุติเราอีกนะเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายถ้าสมมุติเราเป็นผู้หญิงเขาว่าเราเป็นผู้ชายเราโกรธ